ยี่สิบห้าพระจิตตาเทรีภิกษุณีผู้บวชเมื่อแก่ชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลขหาหบดีกรุงรัชครืรู้เดียงสาแล้วได้มีศรัทธาอยากบวชในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้ากรุงรัชครืแต่ไม่ได้บวชต่อมานางได้บวชในสำนักของพระมหาปชาบดีโคตมีในตอนมีอายุมากวันหนึ่งได้ขึ้นไปบนเขาคิชกูด เพื่อเจริญสมณธรรมคือวิปัสนาจนบรรลุพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายก็พระเถรีนี้คลั้นบรรลุพระอระหันต์แล้วได้พิจารณาการปฏิบัติของตนแล้วกล่าวสองคาถานี้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีร่างกายผ่าย ผ, ายผอมเป็นไข่อ่อนเพรียหนักต้องเดินถือไม้เท้าไปไหนไหนก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังขึ้นภูเขาได้ ข้าพเจ้าวางผ้าสังคติและความบาดแล้วข่มตนทำลายกองความมืดได้แล้วบนภูเขาคาถานั้นมีอธิบายว่าแม้จะมีร่างกายผายพร้อมซ้ำยังเป็นไข้อาศัยไม้เท้าขึ้นสู่ภูเขาเพื่อต้องการความวิเวกถึงแล้วด้วยความเหน็ดเหนื่อยวางผ้าสังคติไว้ในหัตถบาดความบาดดินไว้ในที่สมควร คมจิตทำลายกองโมหะที่ไม่เคยทำลายได้เลยถึงความไม่เกิดอีกพุทธศาสนาสุภาษิตโกนุเตอิทธรมัคขาสิอาชานันตัสะอาชานโกอุทกาภิกเษนานามะ ปปกรรมมาปมุจจติสักคังนูมะขมิสันติสภเกันถูกกัตชปานาคาจะสังสุมาราจะเยจันเยอุทธเกจาราใครหนอช่างไม่รู้มาบอกความนี้แก่ท่านว่าคนจะพ้นจากบาปกรรมได้ก็เพราะการอาบน้ำหากเป็นเช่นนั้น พวกกบเต่างูจระเข้และสัตว์ลาวอื่นที่เที่ยวหากินอยู่ในน้ำทั้งหลายก็คงพากันไปสวรรค์แน่แท้